พันหลายท่านก็บอกว่าโอยสแสวงหากลัวจะได้บุญน้อยเนี่ยนะขวนขวายในด้านวัตถุมหาศาลแต่เชื่อไหมพระองค์ก็รับฟังกันนะแต่ว่าพระองค์ไม่ได้สันเสริญสิ่งที่พระองค์สรรเสริญจริงๆเลยคืออะไรอันนะัคือสิ่งที่พระองค์สันเสริญจริงๆก็คือผู้ที่มีศรัทธานในพระตนไตรยัยนั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์สรรเสริญถามว่าทำไมเขาวัดกันที่ผล หมายคาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเอาเอาสุดท้ายเอาสุดท้ายเป็นประมาณเนี่ยนะหมายคาว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนทําที่สุดแห่งทุกสําเร็จอมะตะผลเนี่ยนะบรรลุมรรคผลนิพพานถือว่าสุสดยอดท้ายที่สุดของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะทีนี้ถามว่าให้ทามทั่วๆไปมันจะไปจบลงที่นิพพานได้อย่างไงอันนี้ต้องคิดให้ดี เอาสมมุติว่าเอาถ้าเราให้ทานเนี่ยนะให้แล้วก็จะได้บริบูรณ์ด้วยอาหารเออเมื่อเมื่อมีอาหารกินอิ่มแล้วเอาไปทําอะไรต่อเอาให้ทานด้วยข้าวให้น้ําก็เชื่อว่าให้กําลังเมื่อมีกําลังมากแข็งแรงมากเลยนะหมาแข็งแรงยิ่งอะนักวยปล้ำเอาพละกําลังที่มีอยู่ทั้งหมดไปทําอะไรใช่ไหมเอาไปทําอะไรเอาไปเดินจงกรม หรือเอาไปวิ่งโอลิมปิกเงี้ยนะโอ้ยหรือเอไปเป็นนักมวยอย่างเงี้ยนะคือคื อ, อยังไงก็ตามแต่มันไม่ได้จบลงที่มาเจริญกุศลแล้วมันจะต่อด้วยอกุศลถ้าหากว่าเรามีมีมีเมืมม่อมีสิ่งต่างต่าแล้วมีทําไมก็อย่างที่กล่าวนะว่าเอาถ้าเรามีบ้านสักหลังเนี่ยเอาบ้านเป็นที่ศึกษาธรรมะนี่เป็นอย่างนั้นไหมบอกสร้างบ้านให้มันเสร็จจะได้หนีออกจาก บ, บ้านไปเรียนธรรมะว่า ง, งั้นโอ้ยมันอะไรกันที่จริงคือก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกว่างั้นเถอะที่มีบ้านนะเอาบ้านเป็นที่ศึกษา พระธรรมนะนะศึกษาด้วยลําพังตัวเองหรืออย่างหนึ่งหรือว่าเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นให้ผู้อื่นได้ศึกษาพระธรรมก็มีไม่มากจริงๆริะนะเราว่าทั้งประเทศมีอยู่ไม่กี่หลังว่างั้นเถอะมีไม่กี่หลังถึงสิบหลังหรือเปล่าก็ไม่ทราบทั้งประเทศเลยนะมีบ้านเป็นแสนหลังเนี่ยนะเป็นล้านหลังเนี่ยประชากรทั้งหมดมีประมาณหกสิบล้านนะหกสิบสามล้านหกสิบสามล้านเนี่ยห้าหกคนเนี่ยต่อบ้านหนึ่งหลังอย่างอันนี้ถือว่าครอบครัวใหญ่พอสมควรอะนะมันก็ถือว่าบ้านเนี่ยมีหลายล้านหลัง ในบ้านหลายล้านหลังเนี่ยนะบ้านที่เรียกว่าเป็นที่ฟังธรรมมีไม่กี่หลังอยู่แล้วล่ะเนี่ยนะมันถ้าเรามีบ้านเอาบ้านไว้ทําอะไรอ่า น, นะถ้าสมมุติเอาว่ามีทําให้มีบ้านเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยอ่าแล้วทําให้มีสุขภาพดีเอาสุขภาพที่ดีไปทําอะไรอันนี้ทีนี้พ้นการให้วัตถุทานทั่วๆไปนั้นโดยมากไม่ได้จบลงที่บรรลุมรรคผลในผานเพราะคนที่มากไปด้วยโภคะเจริญด้วยโภคะ ไม่ใช่ว่าโอ้เมื่อบัตเนี้ยเรามีโภคะทุกอย่างแล้วถือว่าได้เวลาที่จะศึกษาอริยสัจแล้วด้เวลาใส่ใจเรื่องอริยสัจจริงๆก็มีไม่กี่คนเนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีมีเชื่อว่ามีแล้วก็มีอยู่จริงแต่ไม่มากโดยมากเอาไปทําอะไรก็เอาไปทําปานาติบาตเนี่ยนะมีทรัพย์เอาไว้ทําปานาติบาตมีทรั์เอาไว้ทํา อาทินนาธานมีทรัพย์เอาไว้ไปทํากามเมสุมิจฉาจารมีทรัพย์เอาไว้มุสาวาตมากขึ้นมีทรัพย์เอาไว้ปิสุนาวาจาจ้างให้คนไปส่อเสียดกันเนี่ยนะเอาซัพย์เอาไว้เพื่อที่จะไปทําอะไรไปดื่มสุราและเมรัยเนี่ยนะเอาซัพย์เพื่อส่งเสริมอกุศลกรรมบดเพื่อเจริญอภิชาเจริญพยาบาทแล้วก็เจริญมิจฉาทิฏฐิเพระพาะพวกท้าซับทั้งหลายที่มีมีเพื่อให้เปิดให้ได้ทําอกุศลกรรมบด เมื่อทำอกุศลกรรมบกก็เท่ากับว่าแมมเที่ยวเปิดประตูอบายไว้ทุกหย่อมย่าอะไรอย่างเงี้ยเนมันน่าสงสารขนาดไหนไม่ได้น่าน้าน้ า, นามุทิตาใช่ไหมดูเหมือนดีในฉากต้นแต่ว่าตอนปลายละ่ะในตอนปลายก็ไม่ได้น่ายินดีอะไรเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อหนอะว่านอนที่กระดึบกระดึกกระดึกอดีตเคยเป็นราชินีที่เป็นใหญ่มาก ใครจะเชื่อว่าแม้สัตว์ในอบายบางตัวเคยเป็นบรมจักรพรรดิมาก่อนเมื่อหลายๆ ล, ล้านชาเมื่อหลายๆชาติมาก่อนแล้วมาเป็นหนอนเป็นแมลงเป็นอะไรอยู่เนี่ยเพันข้อกัษตร์ที่มีอยู่นั่นแหะถ้าพูดระยะใกล้ประโยชน์ปัจจุบันเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยดีอย่างที่พระองค์บอกว่าธรรมะสมทานบางอย่างหรือว่าสิ่งบางอย่างสุกในปัจจุบันแต่ต่อต่อไปไม่ได้สุกจริงๆในบั่นปลายแล้วไม่ได้สุกที่สูงสุดเพราะพระองค์จึง พูดถึงเรื่องทานแต่เป็นสะพานเบื้องต้นนะนะเป็นสะพานเบื้องต้นแล้วพระองค์จะต่อด้วยอะไรบารมีมีตั้งสิบข้อใช่ไหมมีตั้งสิบข้อทานนั้นจึงเป็นเรื่องของเบื้องต้นแม้แต่ทานทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ผู้ให้ศีลไม่ดีก็ไม่มีผลมากให้กับคนไม่มีศีลก็ไม่มีผลมากนั้นวัตถุทั้งหลายมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้มีศีลกับผู้มีศีลเท่านั้นนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ที่ประเสริฐ อนะสูงสูงขึ้นไปทีนี้ถามว่าแล้วคนที่จะมีศีลเนี่ยนะศีลที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัท ธ, ธามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคือต้องมีศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าก่อนศรัท ธ, ธาในพระธรรมพระธรรมก็คืออรยิยมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงอรยิยมรรคก็คือวิสุทธิทั้งหลายก็เริ่มปฏิบัติตามศีลวิสุทธิเป็นต้น แล้วก็ศรัทธาที่มีต่อพระริยาเจ้าทั้งหลายที่ท่านท่านทำที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะเอาท่านเป็นแบบเป็นแผนเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างนี่ย้อนกลับมาว่าศรัทธาของเราเนี่ยจะเติบโตได้อย่างไรเรารูอะไรใช่ไหมว่าศรัทธาตัวนี้เนี่ยศนระัทธาที่มีต่อเรียกว่ามีต่อพระพุทธเจ้ามีต่อพระธรรมมีต่อพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากมีค่ามากกว่าวัตถุทาน นะมากกว่าวัตถุทานทั้งหมดเนี่ยนะถึงเจตนาให้ทานจะมากเท่าใดก็ไม่มีผลมากเท่ากับศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะศรัทธาตัวนี้เนี่ยนะเป็นไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออาศัยเจริญสัตทินรีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละพันผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เขาจักเห็นอริยรสัจสีแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ที่ ประสรอริยศาสตร์ ส, สี่พระธรรมก็คือเน้นพิเศษคือมัคคสัจจะธรรมะเนี่ยนะเน้นมัคคสัจจะนะไม่ได้เน้นทุคสัจจะเพราะทุคสัจจะเมื่อไหร่เราก็มีใช่ไหมไม่ต้องอุย้ยถ้าวิธีสร้างวัตตะไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าเราสร้างเป็นนะโดยเฉพาะยิ่งทุกเท่าไหร่นี่อุย้ยชํานานมาก น, นะคล่องมากอันนไม่ต้องศึกษาของพระพุทธเจ้าหรอกวิธีสร้างทุกใช่ไหมทําเองเนี่ยเป็นหมดอันนะันเหมือนกันเถอะแต่ว่ามันพระธรรมความพระพุทธเจ้าเน้นพิเศษคืออริยมรรต คำสอนที่สอนอริยมรรคอริยมรรคจบลงที่พระนิพพานเนี่ยนะจบลงที่พระนิพพานเพราะเราศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าก็คือศรัทธาในอริยสัจเน้นพิเศษคือมรรคสัจจะทุกควรกําหนดรอบรู้เนี่ยนะสมุทัยเนี่ยนะควรละนิโรธควรทําให้แจ้งอริยมรรคนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทําให้บ่อยทำ ให้มากทําให้เจริญเราเลื่อมใสในพระสงฆ์ทั้งหลายก็เนื่องจากท่านเหล่านั้นได้โสดาปติมักกันได้สกทาคามีมักได้อนาคามีมักได้อรหัตมักท่านเหล่านั้นมีอริยมักเราเลยเลื่อมใสในในท่านเหล่านั้นเนี่ยนะมันย้อนกลับมาว่าศรัทธาของเราที่มีในพระพุทธเจ้าศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้านั้นจึงจบลงที่การบรรลุมรรคผลนิพพาน บรรลุโสดาปติมัคโสดาปติผลบรรลุสกทาคามิมัคสกทาคามิผลบรรลุอนาคามิมัคอนาคามิผลบรรลุอรหัตตมัคและอรหัตตมณการเจริญศรัทธาของเราเนี่ยนะมันมีอยู่สองประเภทเจริญศรัทธาเพื่อเอาผลของบุญเนี่ยอย่างหนึ่งเจริญศรัทธาเพื่อให้บุญงอกงามเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งบางพวกที่มีศรัทธาปรารถนาผลของบุญก็คือว่าศรัทธา ด้วยผลแห่งศรัทธาอันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีรูปสวยเสียงเพราะบริบูรณ์ด้วยวัตถุทั้งหลายอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เรียกว่าต้องการสแสวงหาผลของบุญเนี่ยนะเรียกว่าต้องการโดยกรรมปัจจัยแต่ศรัทธาที่กำลังพูดอยู่นี้โดยอุปนิสัยปัจจัยเรียกว่าศรัทธาที่เกิด คือพระพูธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระองค์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมของพระองค์ก็มีคุณหาประมาณไม่ได้สาวกของพระองค์ที่ตรัสรู้ตามพระองค์ก็มีคุณหาประมาณไม่ได้ศรัทธาของเราเนี่ยทำยังไงจึงจะเข้าถึงเป็นเรียกว่าอัปปามะนาหาประมาณไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องมีการพัฒนากัน พัฒนาศรัทธาเนี่ยนะทำให้ศรัทธาเนี่ยมันมีกําลังให้มันเติบโตขึ้นให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นแล้วทําให้ศรัทธางอกงามได้อย่างไรตั้งคำถาม น, นะเจริญศรัทธาให้เติบโตและงอกงามได้อย่างไรเราก็ไม่ต้องคิดหาวิธีการเองหรอกเนี่ยนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าไงอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะนะเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะนะพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นพระผู้รู้แจ้งโลกหรือว่ารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งพระผู้ทรงคุณไม่มีผู้ใดมีพระคุณยิ่งไปกว่าพระองค์ผู้เป็นศาสดาพาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ข้ามจาก วัตะทุก ข, ข้ามพ้นจากวัตพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้จำแนกแจกแกงพระธรรมรัตนะผู้ทรงมีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งปวง อ, อิติปิโสพระวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตโตบริสัทธารรมาสารถิสัทถาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระขวาร์คำนี้ประกาศถึงว่าสัพพันยุขุนคุณคือความเป็นพระสัพพันญูของพระพุทธเจ้าพระสัพพันยุเนี่ยนะใช้คำว่าสัพพันยูนั้นหมายถึงว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์ไกลนะเป็นพระอรหัง สัมมาสัมพุทธวิชาจรณะสัมปันโนสกตโโลกวิทวนุตโรถุริสธรรมสาระธิสาถาเทวมนุษย์นางพุทโธโภควาคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าพระสัพพันยูนี่นะพระผู้รอบรู้สรรพสิ่งนีนะพระผู้รู้สรรพสิ่งพระผู้เห็นสรรพสิ่งเห็นทั้งที่เป็นสังคตะเห็นทั้งที่เป็นอสังคตะแล้วจําแนกแยกแยะสังคตะโดยประการทั้งปวง เป็นธรรมหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่เป็นต้นเนี่ยนะหมวดหนึ่งเขาบอกว่าสังคตะธรรมเนี่ยสัพเพสัตตาอาหารติทิกาสังขารธรรมทั้งปวงสังคตะธรรมทุกชนิดดำรงอยู่ด้วยปัจจัยถ้าแบ่งออกเป็นสองก็เช่นนามบ้างรูปบ้างเนี่ยนะนามมันจะรูปัญจะนามมรูปัญจะบางทีก็จำแนกเป็นอะไรนะเป็นหมวดสองก็เหตูธรรมมานะเหตูธรรมมาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นธรรมที่เป็นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุก็เป็นทุกกะมาติกาติกะมาติกา นะแล้วก็มาจําแนกเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอะไรทั้งหลายเป็นต้นมันนั้นก็คือโลกของสังขารธรรมทั้งนั้นที่เอามาจําเนกแยกแยะวินิจฉัยแค่เรียกว่าเอามาแปรรูปเนี่ยนะเอาสังขารธรรมมาแปรรูปนะสาหรับพระพุทธเจา้าผู้ชํานาญแล้วเป็นพระธรรมราชาจะจําเนกโดยแง่มุมใดโดยประการใดก็ไม่ติดขดัดแล้วก็ไม่ขัดข้องเนี่ยนะนะที่นี้พระองค์ผู้เป็นสัพพันยูเช่นนี้เนี่ยนะ ถ้าเราปรารถนาจะให้ศรัท ธ, ธาของเราเกิดบ่อยๆปกติเราใช้คาว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ศรัท ธ, ธาอยู่คำเดียวมีศรัท ธ, ธาในพระพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราจำแนกว่าถ้าเราจะขยายให้ศรัท ธ, ธาของเราเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปทำยังไงเรารู้แล้วว่าพิพัฒนาศรัท ธ, ธาเนี่ยนะจากปริตะเป็นมหคตะพัฒนาศรัท ธ, ธาจากปริตะมหคตะเป็นอปปมาณนะพัฒนาจาก กามาวจรเป็นรูปาวจรพัฒนาจากโลกิยะเป็นโลกุตระพัฒนาจากศรัทธาของพระโสดาบันเป็นศรัทธาของพระสกท า, าคามีพัฒนาศรัทธาของพระสกท า, าคามีเป็นพระอนาคามีศรัทธาพัฒนาศรัทธาของพระอนาคามีาาาามเป็นพระอรหันต์อยากให้มันถึงที่สุดเลยเนี่ยนะก็บอกว่าไม่มีใครเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอรหันตรอเนี่ยนะพระปุ พระปุตุชนเป็นล้านคนก็ไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่ากับพระโสดาบันเพราะศรัทธาของปุตตชนเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจนัเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจแต่ศรัทธาของพระโสดาบันยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจศรัทธาของพระโสดาบันก็ไม่มากเท่าพระสกทาคามีอีกนั่นแหละพระสกทาคามีก็ไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอนาคามีพระอนาคามีก็ไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอรหันต์พระอรหันต์ปกติสาวกก็ไม่ได้มีศรัทธาเท่ากับ สาวกผู้ใหญ่สี่รูปคือพระมหากัจจานะพระมหากัสปะพระโมคคลานะพระอนุ์ถึงท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้มีศรัทธาเท่ากับพระสารีบุตรหรือพระสารีบุตรเองก็ไม่ได้มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันพระพุทธเจ้าด้วยกันนั้นมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าด้วยกันมากที่สุดเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้าที่สุด ถึงที่สุดเรียกว่าเข้าถึงกันแบบพระพุทธเจ้าองค์อดีตเนี่ยนะพระพุทธคุณเนี่ยมันเหมือนกั น, นเหมือนกับทองคําหักกลางแท่งว่านั้นน่ยไม่มีความแตกต่างกันโดยเนื้อโดยเทือเนื้อแท้พุทธคุณทั้งหลายไม่มีความต่างกันเลยเลยนะยนี่ยนะวันพระองค์เนี่ยจึงเคา ร, ารพเคารพพระพุทธเจ้าด้วยกันมากมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าด้วยกันมากไม่มีผู้ใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ต่อพระพุทธเจ้านี่เลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อกันมากที่สุดเนี่ยนะท่า น, นก็บอกว่าหลายคนบอกโอ้จะศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากไปบอกไม่ต้องกลัวมากมันมีแต่ไม่พอเนี่ยนะมีแต่รู้ว่าย่งศึกษาไปศึกษามาทำไมศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าช่างน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับศรัทธาของพระโสดาบันนะเราห่างท่านเยอะมากห่างมากนะห่างมากเลย พระโสดาบันนี่ไม่สบายใจปั๊บน้โมท่านก็สบายใจแล้วเนี่ยนะของเราเนี่ยบางทีสวดมนต์ไปสองชั่วโมงแล้วก็ยังเฉยๆนั่นแหละนะไม่ได้ปลื้มอะไรเลยบางทีก็สวดให้มันหมดวันหมดชั่วโมงหมดอะไรไปอย่างนั้นน่ะวายวายกราบกราบสวดสวดไปอย่างนั้นอารหังก็อารหังไปอย่างนั้นแหละปากก็ว่าอารหังใจก็เรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีศรัทธาแบบแหมอารหังปั๊บแหมผ่องใสสบายใจเลยเนะนี่ยนะใจเนี่ยสบายใจผ่องใสเลยทันทีคือมันเรียกว่า มีอะไรเกิดขึ้นอนะโมตสะพะวะ โ, โ, โ, โตได้เลยอะเพราะอะไรเพราะมันสิ่งที่เขาสบายใจที่สุด